ข้อความในกาลมาสุตานิเทศคัมภีมหานิเทศนี่ที่ภาษาบุตรนิเทศคือมาขยายพูดถึงกามที่บอกว่าเมื่อสัตว์ปรารถนากามอยู่ถ้ากามนั้นย่อมสําเร็จแก่สัตว์นั้นสัตว์นั้นได้กามตามปรารถนาแล้วย่อมเป็นผู้อิ่มใจแน่นอนนั่นแหละพูดถึงเราปรารถนาอะไรนะ ถ้าสิ่งที่เราปรารถนาเนี่ยถ้าสมหวังหมดก็อิ่มใจยิ้มเลยนะคิดอะไรก็ได้ดังใจอยากหมดเลยนั่นก็เรียกว่าปรารถนาวัตถุใดได้สมใจหวังอย่างนี้แหละความเอิบอิ่มใจก็มีอันนี้เป็นลักษณะของสมุทัยสัตว์เนี่ยนะอัศาธามันะาามเป็นอย่างนี้แหละสมุทัยสัตว์นี่ยเป็นแบบนี้สมุทัยสัตว์ที่เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายปกติเนี่ย เราฟังธรรมะเนี่ยบอกโอหสมุทัยศัตร์นี่น่ากลัวมากมันนาเกิดแต่ว่าพอเอาเข้าจริงมันเกิดในจิตนี่กลับยินดีมากน ม, มีความสุขมากมอ้าวก็ปราถนาใช่ไหยปรารถนารูปก็ได้รูปปราถนาเสียงก็ได้เสียงปราถนากล่นก็ได้กล่นปราถนาอะไรก็ได้สมใจนึกมตะมันจะไม่ไม่ดีใจจะไม่เอิบอิ่มได้ยังไงไหมซึ่งภาษาเรบุตรอธิบายว่า <c oughs> คําว่ากามเนี่ย แบ่งออกเป็นสองอย่างคือวัตถุกรรมกับกิเลสกามวัตถุกรรมก็คือสิ่งที่ที่เราพอใจวัตถุทั้งหมดที่เป็นอารมณ์ปัจจัยของกิเลสเนี่ยนะีรูปเสียงกลิ่นรสโภชพะอันนั้น เ, เรียกว่าวัตถุกรรมส่วนกิเลสกามก็คือตัวกิเลสตัวตันหาตันหานี้เป็นกิเลสกามฉัศัพท์ว่ากรามเนี่ยโดยศัพท์แปลว่าสิ่งที่น่าใคร่อย่างหนึ่ง ตัวความใคร่อย่างหนึ่งหรือพูดแบบไทยเราก็คือสิ่งที่เราปรารถนาอย่างกับความปรารถนาทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นกามทั้งคู่ทั้งตัวความปรารถนาทั้งสิ่งที่น่าปรารถนาแต่ว่ากิจแตกต่างกัน น, น, นะวัตถุกามนั้นปริญ ญ, ญากิจก็เป็นทุกขสัตท์ะ น, นะวัตถุที่เราปรารถนาเนี่ยเป็นทุกขสัตรอ่เป็นกิจที่เราจะต้องทาปริญญา ส่วนกิเลสกรรมตันหาเนี่ยเป็นประหารกิจคือกิจต้องละละด้วยต่ทางคะประหารเป็นต้นนั่นเองทละได้เด็ดขาดก็คือละโดยสมุดเชทประหารอันกรามทั้งสองอย่างคือวัตถุกรรมกับกิเลสกรรมตั้งคำถามว่าวัตถุกรามเนี่ยเป็นไนก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะอันเป็นที่ชอบใจ หรือว่ารูปเสียงเปลี่ยนรถโพธิภะที่ยังใจให้เอิบอาบหมายคำว่านึกแล้วก็ปลื้มเลยนีนึกถึงอะไรดีปลื้มคุณผู้ชมนึกถึงหลานก็ปลื้มนึกถึงบ้านก็นะปลื้มนึกถึงโน่นนึกถึงนี่นึกถึงสวนนึกถึงวัตถุทั้งหลายที่เราพอใจเลยนีนึกถึงสถานที่เที่ยวนึกถึงการไปเที่ยวนึกถึงเพื่อน นึกถึงสิ่งที่เราชอบใจทั้งหลายเนี่ยอันนี้แหละเรียกว่าวัตถุการามอารมณ์ที่น่าปรารถนาเนี่ยนะรูปสวยๆที่เราปรารถนาเนี่ยเสียงเพราะๆที่เราต้องการกลิ่นหอมๆที่เราพอใจเนี่ยนะนะพวกนี้แหละเรียกว่าวัตถุกรมคือสิ่งใดที่ยังใจให้เกิดกิเลสเกิดตัณหาเนี่ยนะสิ่งใดที่ยังใจให้ปรารถนาะสิ่งนั้นะเรียกว่าวัตถุกรมเพราะว่ามันทาให้เราชอบ วิธีสังเกตว่าวัตถุใดที่เราชอบอะ่ะก็สังเกตด้วยเราคิดสิ่งในบ่อยๆเว้นคําสอนนะเวน้นเว้นการคิดตามธรรมะใชความคิดเผลอๆธรรมดาเ น, นี่ยนะเราเอาเรื่องอะไรมาคิดบ่อยวัตถุนั้นแหละเรียกว่าวัตถุกรรมเนี่ยนะสิ่งที่เราพอใจเนี่ยนะหรืออีกอรูปเสียงกลิ่นรสโผฏ ภ, ภะนี่เครียกว่ามองแบบประมัดเนี่ยนะสภาวะนั้นคือสีสภาวะนั้นคือเสียงนะ สภาวะนั้นคือกลิ่นคือรสคือโผทะพะเนี่ยนีซึ่งสีก็มีสมุดสีสมุดฐานใช่ไหมบางทีก็นึกถึงสีที่มีกรรมเป็นสมุดฐานบ้างสีอะไรก็สีหน้าเป็นต้นนั่นแหละนึกถึงสีหน้าสีตาเป็นต้นอ่ะพวกนี้แหละเรียกว่ามีกรรมเป็นสมุดฐานถ้านึกสีที่มีจิตเป็นสมุดฐานก็คือสีที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่านึกถึงสีที่มีอุตุเป็นสมุดฐานก็อะไร พวกต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้เลือกสวนทั้งหลายเนี่ยเรียกว่ามีสีมีอุตุเป็นสมุธฐานหรือมีอาหารเป็นสมุธฐานก็คือคนโน้นอ้วนดีคนนี้ผอมเป็นต้นอ่ะอันนี้เป็นอาหารสมุธฐานส่วนเสียงก็มีสองสมุธฐานใช่ไหมเสียงก็ที่มีจิตเป็นสมุธฐานกับที่มีอุตุเป็นสมุธฐานถ้าเสียงที่เกิดจากโลภะจิตเนี่ยเราก็พอใจนะเช่นคําพูดที่ก็บอกว่ า, วาเขาชอบเรานะอย่างเงี้ย คำพูดที่เขายินดีด้วยกับเรานะไอ้คำพูดที่เกิดจากโลภะเป็นสมุทฐานเนี่ยโดยมากเราจะพอใจแต่ถ้ามีโทสะเป็นสมุทฐานก็ไม่ค่อยพอใจหรือว่าคำพูดที่มีกุศลเป็นสมุทฐานก็เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจทันั้นรูปเนี่ยนะไม่ว่าจะเกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารเน้นรูปที่น่าพอใจอะรูปนั้นน่รูปนั้นนั้นนั่นแหละเรียกว่าวัตถุกรมหรือพวก เสียงที่กล่าวไปนะเสียงมีจิตมีอุตุหรือกลิ่นเนี่ยนะกลิ่นที่มีสีสมุทฐานนะกลิ่นมีกรรมจิตอุตุและอาหารหรือรสเนี่ยนะรสที่อร่อยอร่อยเนี่ยนะก็มีสีสมุทฐานแต่โดยทั่วไปเราก็ติดรสสมุทฐานเดียวโดยมากนะรสอุตุเป็นสมุทฐานแต่ถ้ารสน้ำลายในปากเราเนี่ยก็น้ำลายนี่มีสองสมุทฐานใช่ไหมอนนะไรมีจิตกลับ อุตุเป็นสมุธฐานเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเคยมีความรู้สึกไหมว่าลิ้นของเราเนี่ยเหมือนขมไปเป็นต้นเนี่ยนะอันนั่นแหละคือรสในในในลิ้นในปากของเราก็มีหลายสมุธฐานหรือโพธภาภะด้วยนะรับกระทบตั้งกศีษะจดปลายเท้าเนี่ยไล่ขึ้นไล่บนเนี่ยก็รับทั้งสี่สมุธฐานใช่ไหมถ้ารับจากผ้านุ่งหม่มอันนี้มีอะไรเป็นสมุธฐานอุตุ ปวดหัวเป็นต้นเนี่ยนะถ้าปวดข้างในหนึบๆขึ้นมาอันนี้ก็ก็แบ่งๆไปนะเบางอย่างก็บางคนก็เป็นกรรมเป็นสมุธฐานบางท่านก็มีจิตมีอุตุมีอาหารเป็นต้นหรือว่ายกมา้ายกมือขึ้นเนี่ยก็โพธิภาพอันนั้นก็เกิดขึ้นมีจิตเป็นสมุธฐานสิ่งที่น่าปรารถนาเหล่านี้นะถามว่าไอโพธิภาพที่น่าปรารถนาเป็นยังไงก็คือเช่นลุกเดินเหินกระชับกระเชงไม่ปวดไม่เมื่อยอะพวกนี้แหละที่เราพอใจ พวกเนี่ยตัณหาก็เกิดที่นั่นแหละแต่ถ้ามองแบบวัตถุก็คือพวกเครื่องลาดเครื่องนุ่งหม่มเสื้อทั้งหมดนะเครื่องลาดเครื่องนุ่งหม่มเช่นผ้าปูนอนที่นอ น, น, อนเตียงตังเป็นต้นเนี่ยนะเครื่องปกปิดอวัยวะปกปิดร่างกายพวกแพรพวกไหมพวกผ้าไปอินเดียก็สารีใช่ถ้าไทยอ่ะก็แล้วแต่ภาคไปนะ ถ้าไปภาคใต้นี่ผ้าชุดไหนมาเขว่าไปนะชุดประจําภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเนี่ยนะก็สรรหาเอามานุ่งมาหอมกันเนี่ยนะหรือบางคนก็ถ้าเป็นเจ้าของกิจการหน่อยก็หาอะไรก็หาคนงานชายคนงานหญิงขึ้นมาแหมปรารสนาอยากได้คนงานก็ได้สมใจยอยากเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นวัตถุกรรมเนี่ยวัตถุกรรมหรือปรารถนาบางคนนี่ชอบเลี้ยงสัตว์นะก็คือ ปราถนาแพะปรารถนาแกะปราถนาไก่ปรารธนาสุกรโคมา้าลาโบราณเขาไม่ค่อยเลี้ยงหมาเท่าไหร่นะแต่สมัยนี้เพิ่มหมาด้วยคนชอบหมาบางคนชอบนกเนี่ยนะฮะก็ปราถนาวัตถุเหล่านั้นก็เป็นวัตถุกรรมบางคนก็ชอบแมวใช่ไหมเอาแมวมาเลี้ยงเอานกมาเลี้ยงเอาไก่มาเลี้ยงโยมคนก็ไปเห็นไก่ที่วัดไก่แจ้ก็เลยอยากได้ไก่ไปเลี้ยงที่บ้านเีก น, นะ คงก็อยากเลี้ยงพวกสัตว์เลี้ยงนี่แหละแต่บางคนก็คิดกว้างไกลไปกว่านั้นนะชอบนาหรือที่ดินนี่นะวัตถุเป็นที่พอใจก็คือที่นาหรือที่ดินทั้งหลายบางคนเนี่ยประเมินเป็นตีค่าชอบเงินชอบทองมากกว่าต้องการเป็นเงินเป็นทองงั้นเงินทองนี่ก็เป็นวัตถุการมเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจอย่างซึ้งนะลึกซึ้งลึกซึ้งว่างั้นเเนะี่ยพวกเงินพวกทองเนะี่ย เพราะสมัยนี้เป็นสมัยที่เรียกว่าใช้เงินใช้ทองเป็นเครื่องสื่สอสรอเครื่องกอํานวยความสะดวกทุกอย่างเลยนะช่ว ย, ว น, ยนั่นนะเห็นตัวเลขนะใช่ที่ขอให้มันตีมเป็นมูลค่าได้นะเป็นมูลค่าได้ถามว่าที่ที่เราพอใจเนี่ยสังเกตดูอ่ะถ้าสิ่งนั้นมันหมดเราจะเสียใจอ่ะเราพอใจมากกับสิ่งใดนะต่อเมื่อสิ่งนั้นหมดเราทุกอ่ะนั่นแหละ ประกาศว่าเราชอบสิ่งนั้นมากถ้าเราไม่ไม่ชอบนะเราจะไม่ไม่เสียใจกับสิ่งนั้นๆเลยอุปมาเช่นของสกปรกในร่างกายที่เราซักออกไปนี่เราเสียดายมันไหมไม่เสียดายก็เสียใช่ไหมแต่ถ้ายังอื่นทาไมเสียทำไมเราเสียใจก็แสดงว่าเราติดข้องพวกนั้นพวกทองอันนะแต่พวกเครื่องประดับหายเนี่ยโอ้ร้องไห้กันหลายคนเลยนนหะหรือบางคนก็มองเป็นบ้านนะ ชีวิตนี้มีบ้านกับเข้าสักหลังหนึ่งนี่ก็พอใจแล้วเ น, นะพราฉะนั้นบ้านก็คือวัตถุกรรมหรือบางคนก็บอกแม่ปรารถนาเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านปกครองหมู่บ้านเนี่ยจะดีพอใจมากแล้วนะพวกนี้ต้องการกว้างขวางออกไปอีกบางคนไม่ได้แมต้องเป็นปกครองระดับตำบลบางคนบอกว่าต้องระดับอำเภอเรียกว่าเขตเนี่ยนะบางคนบอกต้องระดับจังหวัดบางคนก็ระดับภาค นนะก็กินไปจนถึงแม้กระทั่งแว่นแคว้นชนบทประเทศชาตินนะอันนี้พวกเนี้ยพวกผู้ต้องการปกครองอ่ะนะก็ต้องการวัตถุกรรมเหล่านั้ น, น, นบางคน ก, ก็ต้องการพลรบอ่ะนะก็แปลว่าต้องการเป็นแม่ทนะัพอ่ะต้องการเป็นแม่ทัพเป็นต้นอ่ะนะต้องการบางคนเนี่ยบอกว่าต้องการคลังก็ต้องการมีธนาคารเป็นของตัวเองอ่ะนะทั้งพวกสิ่งเหล่าเนี้ยเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจทั้งนั้นเลย หรือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าวัตถุกรรมทุกอย่างอะนะที่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจอะเป็นที่ตั้งแห่งตันหาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นวัตถุกรรมไอ้คาว่าวัตถุกรรมในที่นี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องเราชอบใช่ไหมขอให้ว่าสิ่งนั้นขอให้เป็นวัตถุเถอะอีกคนหนึ่งไม่ชอบแต่อีกหลายคนเนี่ยชอบจํานวนเคยได้ยนะินคนในอยากออกคนนอกก็อยากเข้าออนั่นแหละ สิ่งเดียวกันอีกพักอีกพวกหนึ่งก็โอ้ยไม่เอาแล้วอีกพวกหนึ่งแมมไหลเข้าเทเข้าเลยนะก็เหมือนกับเราไปเที่ยวห้างใช่ไหมเที่ยวห้างเนี่ยขาออกมาเราก็ไม่เอาใช่ไหมช้าวกว่านั้นอีกสิบนาทีเรายังไม่ชอบเลยขาออกนะแต่ลไอคนที่เข้าเขาก็ทะลักเข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยไนะอคนออกก็ไหลออกไปอย่างไงี้ยวัตถุใดที่คนแฮห่แหนเข้าไปดูวัตถุนั้นนะ่ะเรียกว่าวัตถุกรรมหรือพวกสัตว์ทั้งหลายนีสัตว์ทั้งหลายที่พอใจเนี่ย ทีนีกามเนี่ยถ้าแบ่งโดยกาละเนี่ยก็แบ่งเป็นกามที่เป็นอดีตกามที่เป็นอนาคตกามที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะกามที่เป็นอดีตะนะอะไรบ้างอ่ะก็คือชีวิตที่ผ่านมาในอดีตสิ่งที่เห็นสิ่งได้ได้ยินรู้รสรู้กลิ่นเคยกินเคยดื่มเคยเที่ยวชีวิตที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดอ่ะนะอันนั้นเรียกว่าวัตถุกามที่เป็นอดีตสิ่งที่น่าพอใจที่เป็นอดีต ก็เหมือนอะไรเหมือนนั่งฝันว่าสมัยนั้นน่ะเคยเป็นสาวสมัยนั้นน่ะเคยเป็นหนุ่มสมัยนั้นน่ะเคยรูปงามรูปอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะความพอใจเหล่านั้นเรียกว่านึกถึงวัตถุกรรมที่เป็นอดีตหรือกามที่เป็นอนาคตนะก็หวังว่าหวังว่ายังไงไปถึงบ้านทําอะไรก่อนตอนนั่นนะพวกนี้แหละเรียกว่ากามที่เป็นอนาคตเนี่ยนะวางแผนไว้เบ็ดเสร็จหมดนะชีวิตข้างหน้าต่อไปนะ วัตถุทั้งหมดที่เราคิดถึงคำานึงถึงในอนาคตเนี่ยเรียกว่ากามที่เป็นอนาคตส่วนกามที่เป็นปัจจุบันก็เนี่ยที่เห็นที่ได้ยินอยู่ขณะเนี่ยเรียกว่าวัตถุกามที่เป็นปัจจุบันพวกนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความดีใจเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจเป็นที่ตั้งแห่งความเอิบอิ่มเนี่ยนะหรือกามจะแบ่งว่ากามนี่ก็แบ่งเป็นอย่างเลวเนี่ยนะอย่างเช่นอาหารใช่ไหมอาหารเนี่ยก็แบ่งเป็นอาหารอย่างเลวอย่างกลางและอย่าง ประนีตอาหารอย่างเลวก็คือราคาถูกๆกันนะเรียกว่าคนพอมีฐานะหน่อยเขาก็ไม่กินกันแล้วอาหารชนิดนี้เรียกว่าอย่างเลวถ้าอย่างกลางอ่ะก็ราคาแบบคนทั่วไปอย่างประณีตก็นะนะที่แพงที่เศรษฐีทั้งหลายเขากินกันเนี่ยนะที่ต้องมีฐานะนะเขาจึงจะกินได้เรียกว่าวัตถุกรรมที่เป็นประณีตอือย่างบ้านเนี่ยนะบ้านอย่างเลวนี่เป็นยังไงก็หลังมส ซ, ซ่อมซ่อนเนี่นะ เรียกไว่าอย่างเลวถ้าอย่างกลางก็คือบ้านทั่วทไปถ้าอย่างประณีตก็เป็นครือขายเป็นต้นเนี่ยที่คนแย่งชิงต้องการพอใจเนี่ยเรียกว่ากามที่เป็นชนิดประณีตก็แบ่งวัตถุนะอย่างเลวอย่างกลางและอย่างประณีตเขาวัดกันตรงไหนก็สมัยนี้ก็วัดที่ราคาเนี่ยนะเลวนี่ก็เอาราคาเป็นเครื่องวัดนะถ้าของไหนถูกๆเรียกว่าเลวราคาปานกลางหรือราคาอย่างประณีตเนีย่ย อย่างเลวก็น่าจะแบ่งเป็นรสามระดับอีกใช่ไหมเลวสุดๆกับเลวปานกลางกับเลวอย่างดีทั่านั้นอย่างกลางอ่ะกลางอย่างเลวกลางอย่างกลางกลางอย่างประนีตอ่ะนะเพราะมันจัดราคามันไม่เท่ากันเลยแม้กระทั่งโดยที่สุดรถยนต์มันก็มีราคาหลายเกรดด้วยกันสแสดงว่ามีการแบ่งมากนะบ้านแต่ละหลังก็มีราคาอยู่หลายเกรดก็แบ่งเป็นอย่างเลวอย่างกลางและอย่างประนีต